I don't know. I don't know. ธรรมะที่มีมาเก่าแก่ดั้งเดมนี้คือการสัจใจของเราตามพุธมทธเจ้าก็มีการสัจใจธรรมะที่ว่ากายสัจใจนี้เป็นสิ่งที่มีมาตัา้งแต่พุทธเจ้าเกิดปีการนาของพุทธเจ้าก็มีการสัจใจดังนั้นธรรมะ เป็นมีก่อนเราตุกิาตื่นธรรมะส่วนนี้ภาษาวัฏวัฒ น, เ, นเรียกว่าสภาวะธรรมเรียกว่าสภาวะธรรมก็ต้างเห็นว่น า, า, เ, วววาเป็นสิ่งที่จะต้องเป็นไปตามกฎ ข, ของสรรมชาติกฎของสรรมชาติส่วนใหก็คือกนิจามไม่เทีย่ยง ที้สามค่ เป็นสิ่งภายนอกแม้จะรู้มากมายใจกองตัดเยี่ยงใจก็ตามแต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องกายใจเราก็ไม่มีทางที่จะต้น ธรระนเป็นความสัมทธรรมะอันเด็ควาสั ในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทเจ้าเป็นสองประเภทไม่มีแต่เีถ่าเป็นเสล่าแก่ดัานเดิมาสนาพุทีไม่มีก็ยังมีคนรักษาเีถ่าเือหลออยู่ในโลกถูบ้าไม่เดืนงไปเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเีถ่าท่านเปงยกให้เป็นมนุษย์ส เป็นธารมสำหรับมนุษย์เป็นค้านี้มทาจะว่าตนในโอเคเป็ น, นหลักธรรมหลักการความปลอดภัยของสังคมเป็นหลักธรรมหักเพิ่นสารความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์มนุษย์ผู้ที่จะเป็นมนุษย์สมบูรณ์ได้ต้องมีค่าน ใจจิตใจของเรามีความพิฐารติยาเมตยโสตตังเจริวาระอาณาต่อไปการกระตุ้นกลัวต่อไปไม่พลาที่จะทำบาปทั้งในที่รักและในที่ริษในขณะนั้นตายของเราเป็นมนุษย์แต่จิตใจของเราเป็นเสมาดา ในขณใจที่จิตใจของเรามีความเหนื่อยหน่า้ไม่เาไหน ได้งถึงกฎหมายละเอยดี่นกฟังอยาจะทาอะไรก็ทาไปตามทำโดยใจเส้นสุขแทแต่อารมณ์โกรธตอารมณ์เศร้าไม่ตังใจงความสุขแความทุกข์ของตนมุ่งแต่ที่จะทาตามใจของตัวเองอย่างเดียวใจใจหเที่ยไม่มีสีถี่ัในขณะน้นใจของเราเป็นมรร แต่จิตใจของเราเป็นตัณหาปัญหาที่ว่าในปัจจุบันนี้คนกระเสริมากมายเหลือเกินคนที่มีการที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่แน่นอนจะมีคนกระเสีิฐมากรรมบทศิมากมายกับมันมนุษย์มาเกิดมากนอนี่มีปารหาที่คนสลายสามกัจจุบัเลย ถ้าเราจะตัต้งทำในงควนพาเป็นของมนุษย์ในข้อสุดท้ายที่กล่าวมาโในเรอใดที่มนุษย์มีความโกรธไา้มีความโหรธที่ไม่ละกำเนิดเป็นกฎหมายในสิ่งนั้นๆอย่าใช้ทำใดก็ทำไปตามความเปิดใจให้กํานิดถึงความเดือดร้ของคนอื่น ในขณนั้นตายของเราเป็นบรถ้าตายของเราเป็นบรรลแต่จิตใจของเราก็เป็นสัจจะัทธิธรรตาโลกพทั้งหลายถูกพโนฝนตามเสดจโลกภูยากายาในของัจจรัทมถูกพจักไปฆ้าแตต่นเสีาของตัจจัรมันไม่มีที่เกิดจบองไ้ทำไม่้เมื่อเวลาใดที่ เมียอย่างต้องใจได้ตามมันก็ถือโอกาสมาเกิดในขณะนั้นความจริงเรามีความว่าปมใจนั่นเอยวาเราเห็น ว่าตามเป็นขนาด เราข้าไม่ได้คมเคงไม่ได้นังแรงไม่ได้ยิงาดดงเดือก็ไม่ได้เอเราเกึกผัดจิตใจของเราให้มั่นคงต่อมารมุกตัวกันแล้วโดยไปของมารมย่อมมีจิตใจฝูงเป็นผูา้าความ้ตาลาีจะแฝพทุกไปถึงตัดเสนานเองแม้ตัใเปนานเราก็จะฆ่าไมได้ ในการรวจรักษาศีลาต้องสรวจไปตามขั้นตอนีนี้เรามาดูถึงเรื่องที่ผู้ข้าบริษัทมารักษาศีลเพื่อจะมาเป็นสมาธิภาวาเพื่อให้บรลุความสมดุลในาดไม่ว่าคนคนละเอียดใดๆท่านนั้นไม่ได้ดมว่าสัพ มนุษานขอาัน้งแอายุ <secure> ีอาอายุส yeah, ิบวบเมื่ออายุสิบหกขวก็ได้แต่งงานมีครบัวคนที่แต่งงานมีครอบัวอย่างนีก็มีแค่สีานถ้าอากรักสีแต่เพื่อจะอยู่กับครบัวไม่ได้ต้องแยกกันนอนในเรื่องของเรื่องเป็นแนี้เพราะฉะนั้นนางวิสาสามหาวบาลิตาเป็นหลักฐานจีนยั สามารถที่บรรลุพระสมิภาได้นารมิสาสาใีสี่ข้าพอบรรลุพระสมุฬารันแตยังต้องรออุปกานต้องพุทธเจ้าอีกองคหนึ่งคือฤาษีอริยเมตใจเึ่งเป็นองค์สุภารแล้วบารีิสาสาจึงได้สำเร็จพระอรหันต์เข้าถู่สมิภารแบบนี้เรามากล่าวถึงหลักการปฏิบัติธรรม เวลาผาบวเป็นสีดำก็คือเกิดการปฏิบัติธรมทสมาธิเรื่องของการฝุกการทสมาธิเราก็เคยได้เห็นได้ฟังได้กหดกันมาบางตลดุแต่เรื่องของสามาธินี่ใช่หรือไม มาธหน้าที่น้ื่น้าเขา้าฝัเอดรก็ต้องอาศัยสมาธิเป็นหลักเป็นพื้พฐาในปัุันนี้คนตาาคนาคคน่างปรเทศแม้ปรเทศรัสียเต้นเข า, าทาสมาธิจากเขามข้นเขาใแต่การทำสมาธิของราชีตาาสนาอื่ น, นมีความมุ่งหมายแตกต่างไปจากราชีต่าาสนา การเทศนาความเป็นสมาธิเพื่อราสนาจรรลุผลิภัณฑ์ดังนั้นเราดีขึ้นต้องด้วยความเป็นผูมีสติทำนะายวาดาให้บริสุตธิ์สอาดปราศจากโทษที่จะเพิ่มข้าวรวบด้วยสาหรือหมานตาได้ยะโยมทั้งหลายให้สมาธิเต็มไปแล้วอันนี้เป็นการ ตามิสุเมื่อเรามีเจตนาโดเป็นตามปกีิข้อนั้นั้นที่เราใส่แล้วที่ของเราก็เป็น ได้ท่าใดนี ços, identify, <ousse ék> ่เป <sn iff ler> ็นวิธีการแต่ถ้าได้ขนาดในการที่จะลั่นตัดสมาธิได้ลั่นท่าที่คือทาไดก็้เพราะสมาีิเป็นสิยาสมเปปฏิจจการับปฏิจจการเดิการเดินการเราเรากหดจิตบริกรรมภาวนาเช่ดูที่ิของเราได้ตัวในการสุกสมาธิในเท่านเตรียม นั่นสมาธิเต็มเร้วพอในน้องจิตน้องใจในเลือดฝุ่นของพระพุหธเจ้าว่าโพธิ์ั ม, มโมสังโฆโพธโ์ั ม, มโมสังโฆโพธโ์อั ม, ม โ, โ, โมสังโฆแล้วน้อมิตน้อใจคิดว่า คต้องวา ว่าจ <ersch> ิตของเราเมื่มโตโตเองเราเริ <ums> ่มพาพนาได้ผลแล้วี้เมื่อจิตเมื่อโตโตเองโดยไม่ได้ตั้งใจประการเข้าความรู้สึกเบาาจก็เกิดขึ้นความรู้สึกเบาใจก็เกิดขึ้นกายเกิดความสงบการควบคุิปรการ ที่อาจจะเห็นภาพนิมิตต่างๆกำหนดรู้ที่จิตเผยยูอย่าไปสนใจกับภาพนิมิตดันั้นแม้จะเกิดความรู้อะไรขึ้นมาเป็นความสง่าก็กำหนดรู้จิตเผยยูอย่าไปสนใจกับการรู้ที่ดูเพื่อกำหนดตัดแตว่ารู้รู้แล้วหดน่อยวางไปในต่วนี้ จิตมันเกิดความคิดขึ้นมาถ้าสังเกตดูว่าความคิดที่เกิดขึ้นทําให้รู้สึกเราจิตพอปล่อยให้มันคิดไปแต่เราทําปฏิสังบนตามรู้ไปไม่เลิให้กําหนดหมายเอาความคิดที่เกิดขึ้นมาเองนั่นแหละเป็นอารมณ์เรื่อรู้ของจิตแล้วเราทําปฏิสังบนตามรู้ตามคิดนั้นไป อย่าไปห้ามการคิดและอย่าเอากลักมาหาุูโคนปล่อยให้มันคิดไปเป็นสุดตัวแต่ว่าเราทำสติสงบตามรูไปให้ดีให้ต้องดูวันวันถัดเราต้องตาดูจิตใจเง็นอยู่นั้นแล้วก็กำหนดตามรูไป